พระภาวนาปัญญาวิสุทธ์อัมพันธ์บุญหลงวัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบแขวงป้อมปราบกรุงเทพพุทธศักราช2444ัถ24ึง2532อารมณ์ ย่อมจะเข้าสู่จิตโดยอาศัยอายตนะทั้งหกตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันรูปนามไม่ส่งจิตออกนอกเฝ้าดูอายตนะทั้งหกเราย่อมจะปิดกั้น อารมณ์เข้าสู่จิตได้ก็จะนำจิตเข้าสู่ความสงบถ้าเมื่อไรขาดสติปล่อยจิตให้คิดตามรูปที่มากระทบอหยตณนะทั้งหกจิตย่อมก่อให้เกิดทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงมีความเกิดดับเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทำให้เกิดทุกเกิดความทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังแต่เห็นสองอย่างนี้ยังไม่พ้นทุกได้โดยเด็ดขาดจะต้องพิจารณาความไม่มีตัวตน ความที่บังคับบัญชาไม่ได้คืออนัตตาเมื่อมีปัญญาเห็นอนัตตาแล้วก็หมดอุปทานความยึดมั่นเพราะไม่มีอัตตาตัวตนที่จะให้ยึดมั่น ผู้ออกจากกราเรเบื้องต้นต้องเป็นผู้ไม่ติดในบรรดาสิ่งอะไรอะไรอันเป็นปัจจัยบ่อกเกิดแห่งความรักและความชังปล่อยวางอิทธารมและเพิกเฉยในอเนธารมให้เห็นโดยลักษณะกระหนึ่งภาพ ภาพที่ประจวบในความฝันการจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานคือพระโสดาบันทาไม่ยากต้องตัดสังโยณสาคือเครื่องเหนี่ยวรั้งใจสมประการได้แก่สกาย ธ, ธิธิให้รู้จากขันห้า ร่างกายตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนศีลภัตตประมาทความประมาทในศีลและวัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนารัย เราหมั่นพิจารณาว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่นอนก็จะละสกายาทิฐิได้ถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ก็จะละศีลพัต์ปรมาได้และไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง และสอนให้เราพ้นทุกขได้พระธรรมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราปฏิบัติตามย่อมรักษาเราไม่ต้องไปในที่ชั่วทำให้เราพ้นทุกขได้จริงพระสงฆ์สาวกปฏิบัติดีแล้วสามารถปฏิบัติจนพ้นทุกขตามพระพุทธเจ้าได้ และสั่งสอนให้เราพ้นทุกข์ได้จริงก็จะละวิจิกิจฉาใครปฏิบัติตามนี้ก็จะเข้าสู่กระแสะพระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน